มงคลชีวิตมงคลที่ส4การทำให้แจ้งพระนิพพานนิพพานสัจจิกิริยาจากเอตามังคลมุตตมังที่ชื่อว่านิพพาน